เจริญพรญาติโยมทุกๆท่านในเช้าวันนี้ก็จะได้กล่าวในเรื่องที่ผ่านมาแล้วเมื่อคืนตอนปากคกัมตอนปากคกํา ก็ได้กล่าวในเรื่องของยาพิษยาพิษที่มันแทรกเราปล่อยทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโอตรพะพระธรรมารมและเกิดความรู้สึก ข, ขึ้นมาแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยาพิษ เกิดความรู้สึกขึ้นมาเรียกว่าวิญญาณคือความรู้สึกทางตาความรู้สึกทางหูความรู้สึกทางจงมูกทางลิ้นทางกายทางใจเสร็จแล้วก็จะเกิดผัดสาขึ้นมาคือการกระทบกับยาพิษนั่นคือสามอย่างนั้นทำงานร่วมกัน แล้วเกิดปัจจักคือการกระทบการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยสุดท้ายก็เกิดเวทนาขึ้นมาเวทนาทางตาเวทนาทางหูเวทนาทางจมูกเวทนาทางลิ้นเวทนาทางกายเวทนาทางใจนั่นเรียกวย่ายาพิษยาพิษ เพราะเราไม่ได้พิจารณาและไปเสพก้าวก็คือเมื่อตาเห็นรูปตาเองที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นตัวกูเป็นของกูมันก็เป็นยาพิษรูปที่เข้ามาทางตาําให้ดีใจบ้าง ถ้าไม่เสียใจบ้างถ้าไม่เฉยๆบ้างนั่นคื อ, อยาพิษมันเป็นยาพิษเสียงที่เข้ามาทางหูกลิ่นที่เข้ามาทางจมูกรสที่เข้ามาทางลิ้นสัมผัสที่เข้ามาทางกายทุกอย่างมันจะไปกองอยู่ที่ใจ ยาพิษนั่นก่อข้าวมาแล้วมันไปกองอยู่ที่ใจกอไปกองอยู่ที่ใจทำให้ยินดีบ้างทำให้ยินร้ายบ้างนั่นคือพิษพิษของอยาพิษยินดี <c oughs> ยินดีก็ดีใจดีใจก็กระโดดโลดเต้น ด้วยอํานาจของอยาพิษเสียใจก็ร้องห่มร้องไอ้ายนั่นก็คือพิษของอยาพิษเฉยๆไม่รู้ยาพิษนั้นเข้าไปทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัตภร ม, มารลมวิญญาณทั้งหกปัจจัทั้งหกเวทนาทั้งหก นี้วมันเข้าไปฝักตัวที่ใจมันเข้าไปฝักตัวอยู่จนโก่ลูกออกหลานเสร็จนแล้วก็ออกมาภายนอกอีกนั่นคือพวกยาพิษทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการดีใจก็คือยาพิษเสียใจก็คือยาพิษเฉยเฉยก็คือยาพิษมันเป็นยาพิษที่มันเรกซึมเข้าไป ทางอวัยวะคือตาหูจมูกล่้นกายเ้ยวไปกองอยู่ที่ใจทางนั้นเลยทีนี้เราจะต้องใช้ธรรมะหลักของการระวังคือหลักของความเพียรสี่ประการในอริยมรรคมนองค์แปดเรียกว่าสมาวายามโมหนึ่ง ต้องเพียนในการระวังเมื่อตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นดิมลดกายสัมผัสใจรู้ธรรมารมณ์ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่เข้าไปพอใจไม่เข้าไปโกรธไม่เข้าไปเกลียดถ้าเข้าไปยินดีก็ทำให้กินข้าวไม่ลง ถ้าข้าวไปยินร้ายก็กินข้าวไม่ได้นี่มันยินดีกับยินร้ายมันหนดอัดมีนิจ้าไปเฉยๆตอนก็ข้าวไปซ้อนอยู่ภายในยมันไปฟักตัวออกลูกออกหลานอยู่ภายในยนั่นคือเพศหรือว่าโทษของอยาพิษเพราะฉะนั้นทำให้เกิดโลภะบ้าง เกิดโทษสาบ้างเกิดโมหะบ้างอำนาจของอยาพิษแค่นั้นเราต้องมีความเพียรในมากๆหนึ่งเพียรในการระวังเมื่อตาเห็นก็สศักดิ์เทวดารูปก็สศักดิ์เทวทาที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาว่างจากตัวตนหูได้ยิน ได้ยินเสียงแล้วก็สักแต่ว่าธาที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่าจากตัวตนจะหมูได้กลิ่นกลิ่นรสก็กลิ่นนั้นก็เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกขังเน่มันก็เป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนรสชาตินั้นก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตา ว่างจากตัวตนโอพระที่มากระทบกายแข็งบ้างนุ่มบ้างร้อนบ้างหนาวบ้างมันเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุเช่นว่าธาตุลมที่มากระทบกายหรือวัตถุที่มากระทบกายถ้าไม่เกิดแข็งกระด้างบ้างทําไม่นิ่มนวลบ้างอะไรบ้างนี่ก็สักแต่ว่าธาตุที่มันเป็นอย่างนั้นเอง ไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้ายเห็นสักแต่ว่าธาตุธาตุธาตุที่มันว่างจากตัวตนร่างกายก็ศักแต่ว่าธาตุที่ว่างจากตัวตนสิ่งที่มากระทบร่างกายก็ศักแต่ว่าธาตุว่างจากตัวตนเราต้องระวังระวังที่ตรงนี้ต้องมีสติอ้ายไว้ต้องมีสติอ้าฟอ จิตก็ไปขนปัญญามาขนปัญญามามาจัดการว่ามันจักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าธาตุตัวเราเองก็สักแต่ว่าธาตุตาหูคืออริยธรรภายในก็จักแต่ว่าธาตุอรยธรรมภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะะธรรมารมย์วิญญาณทั้งหกปัจจายทั้งหกเวทนาทั้งหกมันก็จักแต่ว่าธาตุ ที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว้างจากตัวตนที่นี่เมื่อมันเข้ามาทางทางใจคือมันเข้ามาทางตาตหูตาลิ้นกายแล้วก็ลงไปสู่ใจก็ลงไปสู่ใจแล้วอย่าให้มันอยู่นานและไม่ควรที่จะต้อนรับมันถ้าเรายังไม่รู้สึกยังไม่มีความรู้สึกว่ามันลงไปสู่ใจแล้ว นั้นก็ทําให้จักลิ้นจักงอเข่นเลยดีใจหัวเราะจนกรามค้างเลยอย่างนี้เป็นต้นเอย่าว่าดีใจดีใจก็เป็นพิษเสียใจก็เป็นพิษเจยเจยก็เป็นพิษต้องทํำยังไงอย่าให้มันมีพิษต้องเลิกความยึดมั่นถือมัน่นเลิกไม่เอาตามาเป็นกูไม่เอาอูมาเป็นกู ไม่เอาจมูกมาเป็นกูไม่เอาลิ้นมาเป็นกูไม่เอากายมาเป็นกูไม่เอาใจมาเป็นกูเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเพราะรูปก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนได้ยินเสียงได้จมูกได้กลิ่นลิ้นลิมรสกายสัมผัสใจรู้ธรรมารม์สิ่งเหล่านั้นจะเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตา ว่างจากตัวตนที่นี่ต่อไปใ น, ในเมื่อมันเกิดวิญญาณขึ้นมาวิญญาณก็เหมือนกันปัจสาก็เหมือนกันเวทนาก็เหมือนกันจึงบอกว่านี่เป็นการชักสะพานชักสะพานออกไปเสียสะพานที่มันไปต่อเชื่อมระหว่างเวทนากับตัณหาที่ตรงนั้นเอาสะพานนี้ออกไปเสียเอาดึงสะพานให้ ให้มันห่างกันพอมาห่างกันระหวางตนากับดุยธนานั้นเนี่ยมันก็ข้ามไปไม่ได้วิชามันข้ามไปไม่ได้ตหาอุปาทานมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นี่เดียวว่าเป็นการเจาะสะพานที่ตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นประการแร ก, กเราก็ต้องระวังหนึ่งเพียรในการระวังก็คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจ ระวังเมื่อตายเห็นรูปปูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นเล็มลดกายสัมผัสเอรุธรรมาร่มหนึ่งเพียรในการระวังไม่เข้าไปดีใจไม่เข้าไปเสียใจสองเมื่อระวังแล้วมันยังเผลอถ้าเผลอก็เพียรอีกเอาเพียรตัวที่สองมาใช้เพียรในการละละอกุศลทำกุศลให้มันเกิดขึ้น และอกุชนคือสิ่งที่ไม่ดีพิษที่มันไม่ดีนะพิษที่มันไม่ดีเราขึ้นชื่อว่าพิษแล้วมันต้องตายแน่เหมือนกับเราโดนงูกัดโดนงูกัดถูกที่ผิวกายอย่างนี้เโดนงูเห่ากัดเราก็ต้องรีบถอนพิษทันทีการถอนพิษก็คือไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้ายในสิ่งที่มันมากระทบ ทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจแล้วก็สําคัญก็คือไม่เข้าไปยึดถือให้เข้าไปยึดถือตาจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นตัวกูว่ามันเป็นของกูก็ภาวนาว่าความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกทางตาก็ไม่ใช่กูความรู้สึกทางหูเมื่อได้รับรู้เสียงได้ยินเสียง มันก็ไม่ใช่กูตานี้ก็ไม่ใช่กูก็ไม่ใช่กูจมูกก็ไม่ใช่กูลิ้นไม่ใช่กูกายไม่ใช่กูใจก็ไม่ใช่กูรูปเสียงติณรสผพิตภธรรมารมก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาว่างจากตัวตนฉะนั้นเห็นก็สักแต่ว่าเห็นอย่าให้มันเป็นพิษอย่าให้มันเป็นภัยได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน ได้ยินแล้วก็ผ่านไป <c oughs> ไม่ให้มันเข้าไปเป็นพิดภายน่อยได้กลิ่นแล้วก็ไม่ต้องไปติดรถติดชาติของกลิ่นเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมหรือว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นมันก็เป็นเช่นนั้นมันเองกลิ่นก็เป็นเช่นนั้นมันเองเพราะกลิ่นก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนรสชาติที่มันเข้ามาทางลิ้น มันมีหลายรถมันมีหลายชาติมันมีหลายหลายรถหลายชาติทีนี่ถ้าเราไปเป็นธาตุรถชาติอย่างนั้นเราก็เที่ยวกันไม่หยุดก็อาหารมันมีหลายร้านมันมีเยอะแยะมันมีเต็มไปหมดเขาก็เปิดร้านตรงนั้นมั่งเปิดร้านตรงนี้มั่งเขาก็โฆษณาอาหารดีอาหารเด่นอาหารดังอาหารเมืองไทยอาหารเมืองนอกอาหารแปลก จิตมันก็ใจมันก็อยากจะรู้มันอยากจะเห็นมันอยากจะทดลองนั่นนหะคือกินยาพิษเข้าไปถ้ากินเข้าไปแล้วรู้สึกอร่อยอร่อยมันก็เป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั้นเองไม่เข้าไปดีใจในรสชาติอันนั้ น, นก็รู้ว่มันก็เป็นเช่นนั่นเองอาหารคอรังมันก็เป็นเช่นนั่นเองอาหารไทยมันก็เป็นเช่นนั่นเองกินให้มันพออยู่ได้ ร่างกายนี้มันตั้งอยู่ได้นี่เรียก ว, ว่าไม่เป็นธาตุของยาพิษเหล่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นกินอาหารก็เท่ากับว่ากินยาพิษกินยาพิษ้าไปก้าไปดีใจก้าไปพอใจในรสชาติเหล่านั้นก็ทำให้ยาพิษนั้นออกรสออกชาติทำให้ยาพิษนั้นมันทำลายร่างกายทำลายสติสัมปชัญญะมันก็เลยทาให้เกิดให้หลงฉะนั้นเราต้อง ละมันพอรู้สึกว่าอร่อยรู้สึกว่าพอใจเออมันก็เป็นเช่นนั้นเองผลไม้นี่เป็นผลไม้เมืองนอกมันก็เป็นเช่นนั้นเองเป็นผลไม้เมืองไทยที่มันออกมาผิดรดูมันก็เป็นเช่นนั้นเองอะไรๆมันก็เป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองที่ว่ามันลงตัวเพราะมันเห็นอนิจจัง เห็นว่าเอาข้าวไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกขังข้าไปยึดมั่นถือมันไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนมันว่างจากตัวตนมันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วก็ดับมันเกิดแล้วก็ดับนี่เลยเรียกว่ามันเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองรูปก็เป็นเช่นนั้นเองเสียงก็เป็นเช่นนั้นเองกลิ่นก็เป็นเช่นนั่นเองรสก็เป็นเช่นนั้นเอง สิ่งที่มากระทบกายก็เป็นเช่นนั้นเองใจเองก็เป็นเช่นนั้นเองเป็นนนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนนี่เรียกว่าหนึ่งเพียนในการระวังสองเพียรในการละเราต้องละละสิ่งเหล่านั้นเสียอย่าเอามาเป็นตัวกูอย่าเอามาเป็นของกูหนึ่งเพียนระวังสองเพียนในการละสามเพียนในการสร้าง สร้างอะไรสร้างสติปัญญาให้มันโวยขึ้นให้สติปัญญาโวยขึ้นเมื่อตาเห็นสติปัญญามาแล้วให้สติสติปัญญานั้นรับแขกอย่าให้ตัวกูออกไปรับแขกให้สติปัญญาไม่ออกไปรับนี่เรียกว่ามีสติปัญญาในการสร้างทางตาก็ให้มีสติปัญญาทางหูก็ให้มีสติปัญญา ทางจมูกก็มีสติปัญญาทางลิ้นก็มีสติปัญญาทางกายก็มีสติปัญญาเมื่อตกลงไปสู่ใจแล้วใจนั้นต้องมีสติปัญญาที่มันหนักแน่นเห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตามันเป็นเช่นนั้นเองทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองนี่เรียก ว, ว่าเรามีสติปัญญาไว้ต้อนรับจริงเหล่านั้น เพราะฉะนั้นหนึ่งเพียนในการสร้างสองเพียนในการละสามเพียนทําความดีแล้ก็รักษาี่เพียนในการสร้างคือรักษาเพียนในการรักษารักษาสติปัญญาตัวนั้นไว้ให้มากๆเพื่อไม่มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเปลียนในการสร้างเพียนเปียนในการระวังเพียนในการละเพียนในการสร้างแล้ก็รักษา รักษาสติปัญญาตัวนั้นเอาไว้มันอยู่กับตัวให้อยู่กับความว่างอะไรมันก็ว่างทุกอย่างมันว่างจากตัวตนเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจมันว่างรูปเสียงกลิ่นรสประสาทประธรมรมอารมณ์มันก็ว่างวิญญาณทั้งอกคือความรู้สึกทางตาความรู้สึกทางหูความรู้สึกทางจมูกความรู้สึกทางลิ้นความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางใจ เมื่อเราภาวนาบ่อยๆว่าความรู้สึกไม่ใช่กูอย่าให้ความรู้สึกนั้นมันเข้าไปยึดถืออีความรู้สึกไม่ใช่กูก็ความรู้สึกไม่ใช่กูวิญญาณมันก็เข้ามาก่อมาจับไม่ได้นี่เพราะความรู้สึกตัวนั้นมันไม่ใช่กูคือความรู้สึกนั้นมันเป็นอนิจจังเป็นเป็นอนัตตามันเป็นสุญญตาความรู้สึกนั้นมันก็ว่างจากตัวตนนี่เราเพี้ยนเพี้ยน เปียนในการรักษารักษาสติรักษาปัญญาไว้ให้มันอยู่ตัวเอาไปแทนเอาสติปัญญาไปอยู่ที่ตาเอาสติปัญญาไปอยู่ที่หูเอาสติปัญญาไปอยู่ที่จมูกเอาสติปัญญาไปอยู่ที่ลิ้นเอาสติปัญญาไปอยู่ที่กายเอาสติปัญญาไปอยู่ที่ใจเอาสติปัญญาไปรับแก่ เาจะติปัญญาไว้พินิษพิจารณาอย่าให้มันมีพิษมีภัยอย่าให้มันเกิดตัวกูขึ้นมาและไม่ให้มันเข้าไปสู่ใจถ้ามันเข้าไปสู่ใจแล้วมันจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเพียรมีความเพียรในการระวงังมีความเพียรในการละละความชั่วหรือะละความทุกข์ที่มันเกิดขึ้น คือละยาพิษเหล่านั้นได้มีความเพียรในการสร้างสร้างแต่สติปัญญาให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการที่เราภาวนาว่าความรู้สึกไม่ใช่กูภาวนาทีหนึ่งก็เกิดสติปัญญาทีหนึ่งภาวนาทีหนึ่งก็เกิดสติปัญญาทีหนึ่งทําให้สติปัญญานั้นมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราอยากขี้เกียจ ในการที่จะภาวนาว่าความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูตัดวงจรของมันที่ตรงนั้นเมื่อมันมีความรู้สึกทางตาก็ภาวนาว่าความรู้สึกไม่ใช่กูมีความรู้สึกทางหูว่ากูก็ภาวนาว่าความรู้สึกทางหูก็ไม่ใช่กูความรู้สึกทางจมูกความรู้สึกทางลิ้นความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางใจ มันก็ไม่ใช่กูให้มีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นนั่นเรียก ว, ว่าละตัวกูละตัวกูออกไปเสียเมื่อละตัวกูออกไปเสียอย่างนั้นก็เกิดกุศลขึ้นมาเกิดความดีขึ้นมาเกิดกองบุญขึ้นมาอะไรขึ้นมาอย่างนี้เรียก ว, ว่าเป็นการสกัดกัน้นเป็นการสกัดกั้นยาพิษ เปลียนในการรักษาทีนี้ก็รักษารักษาเอาไว้หนึ่งเปลี่ยนในการระวังสองเปลี่ยนในการสร้างสาเปลี่ยนในการรักษาสี่ต้องดูแลสร้างหนึ่งหนึ่งละหนึ่งระวังสองละสามสร้างสี่รักษา รักฐามันเอาไว้รักษาความดีนั่นแหละความดีหล่ะนั่นความดีก็คือสติปัญญานะสติปัญญาที่เราเพียรในการที่ภานะวนานั่นมันก็เกิดสติปัญญาขึ้นมาภาวนาทุกทีมันทำให้เต็มขึ้นทุกทีภาวนาทุกทีทำให้เต็มทุกทีพอเต็มขึ้นมาก็เกิดปัญญาขึ้นมานานๆมันก็เห็นแจ้งมันจะเห็นแจ้งขึ้นมาทันทีเลย ปัญญาเนี่ยมันจะเห็นแจ้งอ๋อนี่รูปที่มันเข้าทางตานี่มันเป็นกระแสเป็นกระแสมันเป็นเงาที่มันเข้ามาแล้วมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับก่อนที่มันจะเข้ามามันก็เกิดดับเกิดดับเสียงกลิ่นลดปุถุภัทรธรรมารมณ์มันก็เหมือนกันอ่าก่อนที่เข้ามาน่ะมันเป็นกระแสเป็นกระแสที่นี่ตาตาก็มีประสาทตาสําหรับที่จะรับรู้ ครับรู้เสร็จแล้วกระแสนั้นก็รายงานไปยังสมองอรายงานไปยังสมองว่านี่รูปนั้นรูปนั้นรูปนั้นรูปอย่างนั้นทีนี้สมองครรู้แล้วสมองก็ยอนรับยอนรับว่าเออมันไม่ใช่กูมันไม่ใช่กูมันเป็นอนิจจงมันเป็นอนัตตามันเป็นฉุน ญ, ญาตามันว่างจากตัวตนจบไปเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นเป็นนั้นว่าจบเอาได้ยินเสียง เขาจะสันละเสิญเขาจะเยือนโยเขาจะลงหนังสือพิมเขาจะโกดซนาอะไรก็สุดแล้วแต่ทางลูกเขาจะทำกันแต่เสร็จแล้วพอเห็นรูปนั้นเช่นว่าเขาเอารูปเราไปลงอย่างนี้โอ้โอนี่ที่มากันที่นี้มาทำดีมากวางธรรมมาปฏิบัติธรรมจะได้เห็นรูปนั้นเห็นรูปนั้นก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันจักแต่ว่ากระดาษ มันจักแต่ว่าธาตุที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนมันไม่มีคู่ตาเห็นรูป ก, ก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเห็นว่ามันว่างจากตัวตนหูได้ยินเสียงได้ยินเสียงต่อเสียงได้ยินปากต่อปากก็เออมีคนมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ดีเรียกว่าดีเรียกว่าก อ, อนุโมทนาสาธุ แต่เสร็จแล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้ายถ้าเข้าไปยินดีก็เป็นพิษถ้าไปยินร้ายก็เป็นพิษมันมีแต่ยาพิษดังนั้นอยากลืนก็ไปยาพิษท่านบอกว่าคนที่มือไม่มีแผลเอายาพิษไปเสว่าในใจกลางมือยาพิษมันก็ข่าไม่ได้ แต่นี่ยาพิษ ม, มันไม่เข้าทางใจกลางมือหรอกยาพิษมันจะเข้าทางตายาพิษมันจะเข้าทางหูยาพิษมันจะเข้าทางจมูกยาพิษมันจะเข้าทางลิ้นยาพิษมันจะเข้าทางกายยาพิษมันต้องเข้าทางใจแล้วเราก็นำมันเข้าไปเองยาพิษนั้นไม่มีใครนำเข้ามาหรอก mm ้อมนำเข้าไปเองแล้วเราก็โดนพิษเองนี่มันเป็นอย่างนั้น <us> เราะฉะนั้นระวังตาเอาไว้ระวังหูเอาไว้ไม่กล้าไปยินดีไม่กล้าไปยินร้ายระวังจมูกเอาไว้ไม่กล้าไปยินดีไม่กล้าไปยินร้ายระวังลิ้นเอาไว้ไม่ให้กล้าไปพอใจไม่ให้กล้าไปไม่พอใจระวังกายเอาไว้เมื่อโดนทำเมื่อโดนปัจสามากระทบไม่กล้าไปยินดีไม่กล้าไปยินร้าย ระวังใจเอาไว้มันไปสู่ใจเร็วมันพิษนี่พิษนี่มันรวดเดียวถึงเลยถึงใจเลยพอ ถ, ถึงใจเลยใจนี่จะต้องมีสติปัญญาให้มากๆต้องมีสติปัญญาไวาร้รับแขกรับแขกให้ม า, มากๆพอเสร็จแล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายพอมีความรู้สึกทางใจขึ้นมาก ความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกทางตาก็ไม่ใช่กูนี่มันอาศัยความรู้สึกทางนั้นน่ยความรู้สึกทางหูก็ไม่ใช่กูความรู้สึกทางจมูกก็ไม่ใช่กูความรู้สึกทางลิ้นก็ไม่ใช่กูความรู้สึกทางกายก็ไม่ใช่กูความรู้สึกทางใจก็ไม่ใช่กูความรู้สึกทางไหนๆก็ไม่ใช่กู นี่แรียกว่าว <Yeah. S 1> ่างมันว่างจากตัวกูอย่างนี้มันว่างจากตัวก sure. ูเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติให้ใจก็อยู่กับความว่างให้ตาอันี้ก็อยู่กับความว่างให้หูก็อยู่กับความว่างให้จมูกก็อยู่กับความว่างให้ลิ้นก็อยู่กับความว่างให้กายก็อยู่กับความว่างให้อยู่กับว่างความว่างคืออยู่กับสติปัญญา ให้อยู่กับสติปัญญาทั้งโขงนั่นเลยเรียกว่าทั้งโขงนั่นหละทั้งหกนั่นหละทั้งสามสิบนั่นแหละทั้งสาสบคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโป๊ะกะเพรธาธรรมารมณ์จักกูวิญญาณโสตวิญญาณกานะวิญญาณยิ่หาวิญญาณกายะวิญญาณมานุวิญญาณปัจจาการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เวทนาที่มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปไม่มีอะไรที่ตั้งอยู่ได้ถ้าเราอยู่กับสติปัญญาที่มันเป็นความว่างมันไม่มีอะไรที่ตั้งอยู่ได้ที่ตั้งอยู่ได้มันเพราะความโง่ของเราถ้าเราเจราดขึ้นมาความโง่นั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้อาวิชาก็ตั้งอยู่ไม่ได้ตัณหาก็ตั้งอยู่ไม่ได้อุปาทานก็ตั้งอยู่ไม่ได้ความทุกข์ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ เหมือนกับน้ําเมื่อฝนตกก็ลงมาสู่ใบบัวพอกมาสู่ใบบัวใบบัวรับเจ็จแล้วก็กลิ้งไปรับเจ็ตแล้วก็กลิ้งไปใบบัวไม่เก็บน้ํามันจะไม่เก็บน้ำํำก็จะนั่นใจของเราหรือเรีวยว่าตาหูจมูกลิ้นกายนี่เราจะไม่เก็บน้ําเอาไว้จะไม่เก็บไม่เก็บไห้เก็บเอาไว้ให้มันหนักให้มันทุกข์นี่เรียกว่าทำ ตาหจมูกเลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโปตป้าธรรมารมวิญญาณทั้งหกปัจจทั้งหกเวทนาทั้งหกทาให้เหมือนกับใบบัวให้เหมือนกับใบบัวที่ขนตกแล้วมันก็กลิ้งไปฝนตกแล้วก็กลิ้งไปคือรีบปล่อยวางทันทีพอเกิดอะไรขึ้นมาก็รีบปล่อยวางพอรู้ทันพอรู้ทันมันก็ดับแล้วมันก็ดับแล้วพอรู้ทันมันก็ดับเกิดทางตาพอรู้ทันมันก็ดับ เกิดทางอูพอรู้ทันมันก็ดับเกิดทางจมูกพอรู้ทันมันก็ดับเกิดทางลิ้นพอรู้ทันมันก็ดับเกิดทางกายพอรู้ทันมันก็ดับเกิดทางใจพอรู้ทันมันก็ดับมันจะดับหมดก็เราเรียกว่าดับไม่เหลือดับไม่เหลือดับไม่เหลือทีนี้พระโสดาบันก็ยังดับเหลืออยู่พระโสดาบันรู้สักยะทิฏฐิวิจิกิจารสิลพปาจาระมะละได้เท่านั้น แต่ละยังไม่ได้เด็ดขาดมันอยแค่เข้าปากทางแค่นั้นเองเียวเข้าไปหาปากทางพระนิพพานแต่ยังไม่ถึงพระนิพพานต้องเดินอีกเพราะฉะนั้นพระโสดาบันก็ต้องเดินอีกทีนี้พอปล่อยพระสะกิทาคามีพระสะกิทาคามีก็ยังดับเหลือเพราะยังเพียงทำโลภะโทสาโมหะเบาบางให้เบาบางแค่นั้นเอง ไอ้เบาบางทีนี้ไอ้เบาบางนะมันแค่ไหนมันแค่ที่ว่ า, อาพอมีความรู้สึกขึ้นมามันจึงจะดับแต่ความรู้สึกนั้นมันช้ามันเกิดความโกโรธแล้วมันโกรธตั้งนานแล้วมันโกรธตั้งนานแล้วมันโลภตั้งนานแล้วมันหลงตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าบบาบางลงไปหน่อยมีความรู้สึกก็อ้อนั้นเราไปโกรธแล้วไปโกรธแล้วมันโดนโยาพิษเข้าไปแล้ว เราไปโลภแล้วมันโดนยาพิษเข้าไปแล้วเราไปโง่ไปหลงแล้วมันโดนยาพิษเข้าไปแล้วนี่พระสกิตาคามีเพียงทําโรพาตัวฉาโมหาให้เบาบางคือกดอไว้กดอไว้แค่นั้นเองเพียงกดอวัเพราะฉะนั้นพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีนี่ไม่ใช่พูดแล้วจะประมาทมันไม่ยากสองขั้นนี้ไม่ยากหรอกไม่ยากคือเพียง าทำสักยะาติเถียนร่างกายนี้สักแต่ว่าธาตุสี่แล้วก็ละธาตุสี่ไปเสียละธาตุสี่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไปหยุดอยู่แค่นั้นมันก็ไม่ถึงฝั่งไม่ถึงฝั่งมันยังอยู่กลางแม่น้ำนางวิสาขาหรือพระหรืออนาคตาบินิกาไปพอใจอยู่ที่ตรงนั้นพอไปพอใจอยู่ที่ตรงนั้นมันก็หยุดกึดอยู่ที่ตรงนั้น พระานนท์พระานนท์ได้แค่พระโสดาบันจนพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็ยังไม่บรรลุพระอราหันต์ทำยังไงทีนี้ก็ต้องการพระอราหันต์แล้วก็ต้องการทำสังคายนาเพราะมีพระที่พูดไม่ดี พอพระพุทธเจ้าผลินิพพานไปคือกายดับไปกายดับไปจิตนะ่ะดับนานแล้วดับที่ใต้ต้นโพนุ่นดับที่ใต้ต้นโพนุ่นยังเหลือแต่คราบที่นี้พอคราบของพระพุทธเจ้าดับไปได้เจ็ดวันมีพระพูดไม่ดีพอพูดไม่ดีบ พ, พ, พราะว่า น, นี่ทําให้จัดสนาเสื่อมแล้วพูดอย่างนี้คือพูดว่าโอ้ตอนนี้พร พ, พ, รพระพุทธเจ้าตายแล้ว เราอยู่ข้างหลังไม่ต้องห่วงจะทำอะไรก็ได้ก็ได้ไม่มีคนห้ามไม่มีคนป้องกันแล้วเราทำได้ตามสบายใจเลยนี่พูดอย่างนั้นมันไม่ดีไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วทีนี้ทำยังไงพระราจัดการกันคือพระมหากัสสปย์เาจัดการว่าต้องสังคายนากันแล้วทีนี้การสังคายนานะต้องเอา คำที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ที่ตรงนั้นอย่างนั้นที่ตร ง, ง, งนั้นอย่างนั้นที่ตรงนั้นอย่างนั้นพระจูดนี้เป็นอย่างนี้พระจูดน้นเป็นอย่างโนู้นจัดที่นั้นจัดห้ามอย่างนั้นจัดจนเฉินอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสเพราะฉะนั้นมีใครที่จําได้มีใครที่จําได้ก็มาพูดในสังคมเลยมาพูดในสังคมพระนี่ ทีนี้ครั้งแรกเขาก็ต้องการพระต้องการพระอาร้อยรูปพระอาร้อยรูปเนี่ยพระกิโกะไม่เอาพระโสดาบันก็ไม่เอาพระสกิทาคามีก็ไม่เอาพระนาคามีก็ไม่เอาอาร้อยรูปเอาพระอรหันต์ล้วนนี่ยเอาพระอรหันต์ล้วนแต่ว่ามันไปขัดจังว่าให้ขัดจังหวะทีว่าต้องเอาพระอานนท์ด้วยเพราะพระอานนท์อยู่ใกล้จิตอยู่ใกล้จิตพระพุทธเจ้า อยู่ใกล้จิตพ ร, ระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปบรรยายไปเทศที่ไหนท่านก็รู้หมดจะจ่างจดจ่างจาพระอรนุนี่จ่างจดช่างจาทีนี้ถ้าพระอรนุ์ไม่ได้ไปพระพุทธเจ้ากลับมามาถึงก็มาแสดงให้อานา์ฟังอีกรอบหนึ่งว่านี่วันนี้พูดเรื่องนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระอรนุ์ก็จาหมดทีนี้มันขาดกันอยู่ ขัดกันอยู่ว่าร้อยรูปนี่จะต้องเอาพระอรหันต์หมดไม่เอาพระอริยบุคคลฉันลองๆองลงมาทํำยังไงพระอานุ์ยังไม่เป็นพระอรหันต์พระอนุลแต่ต้องเอาพระอานุ์ยังไงก็ต้องขาดพระอานนุ์ไม่ได้เลยขัดยังหวากันที่ตรงนี้พระอานุ์ก็รีบใหญ่เลยพอรู้ข่าวอย่างนั้นก็รีบปฏิบัติรีบปฏิบัติรีบปฏิบัติเพราะตัวเองแค่พระโสดาบันแค่นั้นเอง เมื่อพระพุทธเจ้าเปรินิพานพระอานุนก็ร้องไห้นี่ร้องไห้ร้องไห้อยู่อย่างนั้นนี้ตอนที่พระสาลีบุตรปรินิพานพระอานุนก็ร้องไห้พอได้ข่าวก็ร้องไห้ร้องไห้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอ า, อานุ์แล้วพระสาลีบุตรหรือพระพระสาลีบุตรนั่นแหละ พระศาด้บูตได้เมือ่อไปนิพพานได้เอามรรคผลนิพพานไปด้วยหรือพรามโนบอกว่าไม่ได้เอาไปก็ไม่ได้เอาไปแล้วเธอร้องไห้ทําไมคือผู้ที่เป็นพระหรหันไม่เขาไม่ร้องไห้แล้วเขาเห็นว่าความตายก็เป็นเช่นนั้นเองความเจ็บก็เป็นเช่นนั้นเองความแก่ก็เป็นเช่นนั้นเองความเกิดความรู้สึกนี่ต้องทําให้มากเกิดความรู้สึกว่ากูเนี่ยไม่ให้เกิด ต้องห้ามไม่ให้เกิดเลยต้องมีความรู้สึกว่าไม่ใช่กู้ไม่มีความรู้สึกว่ากู้ไอความรู้สึกว่ากูนี่ต้องห้ามต้องห้ามต้องพยายามที่จะละละพยายามที่จะละเกิดความรู้สึกว่ากูขึ้นมาต้องละทันทีเกิดความรู้สึกว่ากูขึ้นมาต้องละทันทีต้องละความรู้สึกว่ากู้นั้นบ่อยบ่อยบ่อย แล้วก็เอาความรู้สึกว่าไม่ใช่กูความรู้สึกว่าไม่ใช่กูมาทับมาไว้ได้มันตายเลยไอ้ตัวความรู้สึกว่ากูน่ะมันตายเลยให้มีแต่ตัวความรู้สึกว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูความรู้สึกว่าไม่ใช่กูทีนี้พระอานร์ก็ร้อนใจร้อนใจก็รีบปฏิบัติทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืน เอาจะถึงเวลาแล้วพรุ่งนี้แล้วก็จะทําสังขารนาแล้วเราก็ยังไม่ถึงไหนเลยทํำยังไงดีนี่จะทํำยังไงดีทีเนี้พระนรนก็ทอดอาลอยแล้วเป็นยังไงก็จางหัวมันเป็นยังไงก็ได้แจ้งหัวมันทีนี้ก็ล้มตัวลงนอนเพราะว่าอดหลับอดนอนมาหลายคืนแล้วเป็นยังไงก็แ่างหัวมันพอแจ้งหัวมั น, มนแล้วเอา ัวยังไม่ถึงหมอนอก็เลยละอุปาทานตัวนั้นได้ละตัวกูได้พอละตัวกูได้ก็เป็นพระอราหันตันทีเลยพระอา น, นุาน์่นนั้นพระอา น, นุ์เป็นพระอราหันหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วจึงได้เป็นพระอราหารัน ก, ก็ทำสังขารนา เ, เห็นไหมพราะฉะนั้นการละตัวกูนี่ละอย่างเด็ดขาด ละอย่างเด็ดขาดนี่ตรงละแบบที่ไม่ยึดมัน่นถือมันมันเลยช่างหัวมันอะไรก็จางหัวมันความรู้สึกว่ากูก็ไม่ใจเอาความรู้สึกว่ากูเกิดก็ไม่เอาความรู้สึกว่ากูนั่ น, นแหลม ะ, มกวกวกะมันเกิดแล้วมันเกิดที่ตรงนั้นนี่ยแต่ความรู้สึกว่ากูนั้นมันเกิดแล้วเกิดแล้วทีนี้ความรู้สึกว่าแก่ว่าเจ็บว่าตายมันมากี่หลังนั้นมันมากีหลังแต่เราสกัดความรู้สึกว่ากูเกิด จะเกิดกูขึ้นมานี่แต่เราไม่เอาที่ตรงนั้นเราดูร่างกายของเราว่ามันแก่ก็ไม่ใช่กูมันเจ็บก็ไม่ใช่กูมันตายก็ไม่ใช่กูความรู้สึกนั้นไม่ใช่กูเมื่อความรู้สึกไม่ใช่กูแก่มันก็อยู่ส่วนแก่เจ็บมันก็อยู่ส่วนเจ็บตายมันก็อยู่ส่วนตายเพราะมันไม่ใช่กูนี่มีความเห็นว่ามันไม่ใช่กูนี่ต้องเห็นอย่างนั้นแค่นั้นพระอานนท์จึง เป็นพระอระหรันในทันทีทันใดหัวยังไม่ถึงหมอนประวัติก็บอกว่าศีรษะยังไม่ถึงหมอนพระอ น, นุน์ก็โดยเป็นพระอระหรันนี่มันเว็บเดียวมันเว็บเดียวเพราะจากนั้นถ้าทำให้ถูกนี่มันจะเว็บเดียวแต่ทีนี้เรากว่าจะเว็บเดียวเราก็ต้องขยันขยันในการละขยันในการสร้างขยันในการรักษาขยันในการระวัง เนี่ยต้องระวังไม่ให้มันเกิดทางตาไม่ให้เกิดทางหูแม่ให้เกิดความรู้สึกว่ากูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตาก็จักแต่ว่าตาเลยตาก็จักแต่ว่าตาเลยตาก็ไม่ใช่กูมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งหูก็จักแต่ ว, ว่าหูมันไม่ใช่กูมันมีหน้าที่ในการรับเสียงในการกังเสียงจมูกก็มีหน้าที่ในการที่เยิน รู้กลิ่นในการที่จะรับกลิ่นนั้นก็ไม่ใช่กูเรื่องอะไรออกมาเป็นกูให้มันทำหน้าที่ตามธรรมชาติตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันทำหน้าที่ตามธรรมชาติมันมีการรับรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสปวดตะควธรรมารมให้มันรู้คือมันมีความรู้สึกรู้สึกว่าเรียกว่าวิญญาณมีความรู้สึกอะไรมีความรู้สึกว่าไม่ใช่กูมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่กู แมมันก็ไม่เดือดร้อนนี่ที่เราเดือดร้อนที่เราเป็นทุกข์กันมาเพราะความรู้ใจว่ากูนั่นแหละเพราะฉะนั้นวิญญาณก็กลายเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์ถ้ามันไม่ใช่กูวิญญาณนั้นก็บริสุทธิ์ไม่ใช่ก็ตัดวิญญาณทิ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นวิญญาณก็ยังอยู่ตาก็ยังอยู่ก็ยังอยู่จมูกก็ยังอยู่ลินกายใจก็ยังอยู่่รูปเสียงสิ่งลดพุทธะธรมรมร์ก็ยังอยู่ วิญญาณก็ยังอยู่ผัสจาก็ยังอยู่เวทนาก็ยังอยู่แต่ว่ามันเป็นธรรมชาติเมื่อก่อนมันไม่เป็นธรรมชาติมันเป็นกูแต่พอมาตอนนี้มันเป็นธรรมชาติมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติแล้วมันไม่ใช่กูแล้วกูหายไปหมดแล้วมันไม่มีกูแล้วมันเป็นธรรมชาติที่มันว่างจากตัวตนที่มันว่างจากตัวกู ให้มันว่างจากตัวกูอย่างนั้นนี่ในพุทธบริษัทจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อเราปฏิบัติอย่างนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรทีนี้เราจะไปโทษตัวเองเมื่อไรจะรู้สักทีก็ไม่รู้ไม่ใช่มีหน้าที่ในการโทษตัวเองมีหน้าที่ในการขยันขยันในการภาวนาขยันในการพิจารณาในการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ขยันในการ ในการระวังขยันในการละขยันในการสร้างขยันในการรักษานี่เป็นเรื่องของสติปัญญาตัวเดียวไม่ใช่เรื่องอื่นเพราะฉะนั้นสติปัญญาเนี่ยเป็นกรอเป็นกรอที่จะคุ้มครองคุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงดิน่นโลดพอดตาปธรรมอารม์เมื่อมันเข้ามามีสติในการที่จะคุ้มครองคุ้มครองเสร็จแล้ว ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันเป็นธรรมชาติเสียอย่าให้เป็นเป็นกูระวังอย่าให้มันเป็นกูให้ได้ถ้าเราระวังได้ทุกสีข้าวทุกสีก้าวหรือว่าระวังได้บ้างไม่ได้บ้างตอนแรกก็แรกเราก็ dead, ไอ้ชิดชิดกันพยายามระวังให้ชิดชิดกันไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กู ระวังโอว่าอย่างนั้นท่องเอาว่าอย่างนั้นภาวนาว่าอย่างนั้นภายในไม่มีใครก็รู้เราหรอกว่าเราภาวนาหรือว่าเราทําอะไรให้มีใครเขารู้เขารู้กว่าจ้งั้เขาไม่รู้กว่าจ้งแต่นี่เป็นเรื่องของเราเราก็ต้องปฏิบัติเราก็ต้องขยันในการปฏิบัตินนี้ถ้าไปโวยวายโวยวายว่าเมื่ อ, อไรมันจะรู้สักทีหนึ่งไม่ต้องไปโวยวายมันอยู่ที่เราขยันหรือเราไม่ขยัน หต้องขยันคือขยันง่ายๆก็คือขยันในการภาวนาขยันภาวนาในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนแม้แต่ น, นั่งที่หัวซ่วมอยู่ก็ภาวนาหรือไม่ภาวนาก็พิจารณาว่าโอ้นี่อาหารเมื่อวานนี่มันมีกลิ่นอย่างนี้นั้นมีสีอย่างนี้มันจ ก, กระปรงอย่างนี้เมื่อวานที่เรากินเข้าไปมันผ่านกระเพาะมันผ่านลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ เออมันมันไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่นี่มันเปลี่ยนแปลงงันเปลี่ยนแปลงพอวันนี้มันฟังเป็นอย่างนี้นี่เแียกว่า น, นี้มันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตามันเป็นสุญญาตาเพราะมันว่างจากตัวตนอย่างนี้นี่ให้เราพิจารณานี่จะนั่งที่หัวซ้วมก็นั่งพิจารณาก้าวไปฉี่ในซ่วมอย่างนี้แล้วก็พิจารณ า, าอ้อนี่ติดดื่มก็ไปเมื่อตะ ก, กี้นี่เอง เรเสร็จแล้วมันกลายมาเราไม่เรีย ก, กว่าน้ําแล้วเราเรียกว่าปัสจาวะนี่มันคืออนิจจังอนัตตาแล้วมันก็เป็นทุญญตาว่างจากตัวตนนี่เรียกว่าให้แก่แก่พิจารณาให้แก่ในการภาวนาแล้วให้แก่แก่พิจารณาพอพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆมันก็เห็นตามความเป็นจริงเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง เห็นร่างกายตามความเป็นจริงเห็นตาหูจมูกลิ้นใจตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงว่าอ๋อนี่มันเป็นอนิจจังนี่มันเป็นอนัตตานี่มันเป็นสุญญตานี่มันว่างจากตัวกูมันว่างจากตัวตนเห็นตัวเองเห็นจิตเห็นจิตว่าอ๋อจิตนี้ก็ว่างจากตัวตนถ้าเห็นว่าจิตว่างจากตัวตนสิ่งภายนอกมันก็นั่นหมดมันก็ว่างหมดจะต้องเห็นจิต ถ้าเห็นจิตว่างจากตัวตนก็จะเห็นกายว่างจากตัวตนจะเห็นกายว่างจากตัวตนตาหูจมูกใจนี่มันติดอยู่กับตัวตนมันก็ว่างหมดใจมันก็ว่างพอจิตว่างในใจมันก็ว่างเมื่อใจว่างตาหูจมูกลิ้นมันก็ว่างกายมันก็ว่างมันก็ว่างจากตัวตนไปหมดให้พิจารณาต้องแก่ในการพิจารณาให้แก่ในการพิจารณาหเห็นตามความเป็นจริง ถ้าเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็เรียกว่าไม่เสียทีที่เรามาอยู่ตั้งหลายหลายวันแล้วออกไปพิจรารณาออกไปพิจารณาอย่างนั้นเหมือนที่บอกให้ฟังนั่นแหลนี่เรียกว่าพูดตั้งแต่หัวคำ่ำจนมาตอนเช้านี้ก็ซ้ำกันซ้ากันเพื่อที่จะเน้นให้เห็นตามความเป็นจริงให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้น เอาไปใช้ได้ตลอดในชีวิตนี้ถ้ายังหายใจอยู่ใช้ได้ตลอดเลยแต่ถ้าหยุดหายใจได้แล้วก็ช่างหัวมันเพราะความตายก็ไม่ใช่กูแต่ถ้ามันแก่ความแก่ก็ไม่ใช่กูความเจ็บก็ไม่ใช่กูความรู้สึกก็ไม่ใช่กูมันรู้สึกเจ็บก็กูไม่เจ็บกูไม่เจ็บมันไม่มีกูที่จะไปรับความเจ็บอย่าไปเอามาเป็นกูอย่าไปเอาจิตมาเป็นกูอย่าไปรับความเจ็บ อย่าเอากูไปรับความแก่อย่าเอาจิตนั้นไปรับความแก่อย่าเอาจิตนั้นไปรับความตายความแก่ความเจ็บความตายนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าจิตมันเป็นธรรมชาติแล้วทุกอย่างมันจะเป็นธรรมชาติหมดแต่ถ้าจิตมันเป็นกูถ้าจิตมันเป็นกูทุกอย่างก็มันผิดธรรมชาติหมดมันก็เป็นของกูไปหมดมันเป็นกูไปหมดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เน่งเราต้องระวัง ของระวังแล้มันยังเปลืก็ต้องละกจามต้องสร้างต้องสร้างสร้างภูมิกุ้มกันขึ้นมาใหม่สร้างภูมิคุ้มกันให้มันหนักแน่นทำกำแพงให้มันใหญ่โตให้มันให้มันแข็งแรงทีนี้เราก็รักษารักษาโอว่าเปลียนในการระวังเปลียนในการสร้างเปลียนในการทำกุศลทำความดีให้เกิดขึ้นในภาพปฏิบัติ ที่ทําสติปัญญาให้มันเกิดขึ้นแล้วก็รักษาสติปัญญานั้นเอาไว้ให้มันมั่นคงให้มันถาวนตลอดไปเราก็จะไม่ต้องเกิดในความรู้สึกว่ากูนะมันก็จะไม่ต้องเกิดถ้ามันไม่ต้องแก่ไม่กล้าไปยึดถือในความแก่ไม่กล้าไปยึดถือในความเจ็บไม่กล้าไปยึดถือในความตายไม่กล้าไปยึดถือในตัวกูไม่กล้าไปยึดถือในของกู มันมีแต่เรื่องตัวกูกับเรื่องของกูมันก็ไม่มากมายหรอกแต่ว่าถ้าแจกแจงออกไปมันมีเยอะแยะตัวกูมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจของกูมันก็มีอะไรตัวอะไรของกูนะ่มันเยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้โลกนี้มันเต็มไปด้วยวัตถุที่ผลิตออกมาใหม่ๆ เ, เราก็เข้าไปยึดถือเราก็เข้าไปเออเข้าไปอะไรแล้วก็ต้องระวังอีกดันั้นต้องอาศัยความเพียรให้มากๆ ทีนี่บางคนเอปฏิบัติธรรมะมาตั้งสิบปีแล้วยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเพรเพราะมันหย่อนความเพียรเอามันหย่อนความเพียรติดปียี่สิบปีสามสิบปีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นเพราะมันหย่อนความเพียรต้องให้ความเพียรมากๆากแต่เรามีความเพียรมากๆแน่นอนที่สุดว่ามันก็ไม่ช้าไม่นานมันก็จะต้องรู้เพราะว่ามันติดอยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ที่ตรงนี้ มันอยู่ที่ตรงนี้มันเหมือนกับว่าขนตามอยู่ใกล้กับดวงตาแต่ว่ามันมองขนตาไม่เห็นตามันมองขนตาไม่เห็นทีนี้เราก็มองในกระจกที่มันเห็นขนตาเนะี่ยมองในกระจกนะมันก็จะเห็นแต่นอ้อนี่โง่มันก็อยู่ตรงนี้ฉลาดมันก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราไม่เอาโง่เราเอาฉลาดฉลาดเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น เ้าเห็นว่าเป็นเช่นนั่นเองสติปัญญาก็เป็นเช่นนั่นเองกิเลสตัณหาก็เป็นเช่นนั่นเองชักสะพานชักสะพานเลยมันเดินไม่ได้เมื่อมันเดินไม่ได้มันติดต่อกันไม่ได้มันไม่ได้อาหารเพไม่ได้ส่งเสบียงให้มันทีนี้พอเราชักสะพานที่เวทนานั ha, ้นออกไม่ได้ส่งเสบียงไม่ได้ส่งอาหารอวิจา <right> เหรือว่าตระนัอุปาทานก็ตายเลยมันอยู่ไม่ได้มันไม่มีอะไรกินแต่นี้เราให้มันกินแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเพราความรู้สึกว่ากูทีหนึ่งมันก็ได้กินทีหนึ่งความรู้สึกว่ากูทีหนึ่งก็ได้กินทีหนึ่งแต่นี้เราชักสะพานเสียไม่ทํามากระขายด้วยกันแล้วไม่ติดต่อด้วยกันแล้วไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวกูแล้วนี่ต้องเป็นอย่างนั้นมันจึงจะได้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นภายในหลายวันตั้งแต่วันที่สิบถึงมาถึงวันนี้ mm. ก็ได้ไปเยอะแยะแล้ว mm. ก็ขอญาตโยมทั้งหลายไปฟังใหม่ไปฟังกันใหม่ไปตบตัวใหม่ไปอะไรใหม่แล้วก็ไปภาวนาภาวนาภาวนาให้าามากและต่อไปก็จะเกิดสติปัญญาขึ้นมารู้ตัวในทันทีรู้ตัวในทันทีก็ปล่อยวางในทันที ความรู้สึกไม่ใช่กูในทันทีก็ปล่อยวางในทันทีพอปล่อยวางในทันทีมันค่อยๆรู้ขึ้นรู้ขึ้นรู้ขึ้นท่านค่อยๆแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเมื่อมันแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นต่อไปมันก็แจ้งมันก็แจ้งถึงที่สุดพอแจ้งถึงที่สุดก็เห็นอะไรตามความเป็นจริงว่าอ๋อนี่ทุกทุกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกนี่เราต้องกําหนดรู้มันเมื่อกำหนดรู้มันแล้วเออ ก็ปล่อยวางมันไว้มันทำเหมือนทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้รู้แล้วก็โปรยวางมันพอปล่รยวางมันเป็นยังไงมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาพรเกิดปัญญาขึ้นมาเรียกว่านิโรธเกิดนิโรธเกิดนิโรธเห็นตามความเป็นจริงเพราะเราปฏิบัติตามอริยมรไมีองเพ่ก็ทําให้เกิดนิโรธขึ้นมาเราเกิดนิโรธขึ้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ลงตัวหมด ทุกอย่างมันก็จะลงตัวลงตัวลงตัวเกิดนโรธขึ้นมาเพราะฉะนั้นหวนหว น, หวนยังไงมีนิโรธให้มากๆากไ้มีนิโรธนิโรธคือทําให้มันแจ้งไม่ต้องไปสงสัยอะไรมันอีนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ที่เรามาที่นี่จะได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตัวของท่านเองไม่ใช่อยู่ที่อาตมาอาตมานี่พยายามที่สุดแล้ว พยายามไม่ให้ตกนรกเพราะว่าถ้าหากว่าท่านมาด้วยเครื่องบินบ้างมาด้วยรถไฟบ้างมาด้วยรถยนต์บ้างอะไรบ้างแต่เสียค่าตัวค่าอะไรไปมากมายกายโกงถา้าว่ามาแล้วไม่ได้อะไรขาดทุนขาดทุนก็จะไม่อัตมาเป็นบาปเพราะฉะนั้นอัตมาก็พยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุด ได้ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วท่านก็เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติปฏิบัติให้มากๆากใวันหนึ่งท่านก็จะรู้ถ้าไม่รู้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็รู้แต่ว่ารู้ยังไม่ถึงที่สุดอันนีไ้ไปปฏิบัติให้รู้ถึงที่สุดพอรู้ถึงที่สุดแล้วท่านก็จะร้อเสียงเดียวกันเป็นเสียงเดียวกันว่าอ๋ออ๋อเป็นอย่างนั้นเอง อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองนี่เรื่องทั้งหมดมันก็มีท่านี้เพราะฉะนั้นขอให้สติปัญญาจงเจริญในจิตในใจ <c oughs> ของญาติโยมทุกๆคน <c oughs> เพื่อที่จะให้ความทุกข์มันหมดไปหมดไปหมดไปให้มันเกลี้ยงทิ้งความทุกข์ไว้ที่นี้ไม่ต้องกลัวว่าอาจจะมาจะรับความทุกข์อาจมาก็ไม่เอาทิ้งความทุกข์เอาไว้ที่นี้ให้หมดอย่าให้เดือแล้วท่านก็จะได้สํานัก วางสันติเตย่านก็จะได้ความสงบกลับไปเรามาวุ่นวายกลับไปสงบนี่มันได้กำไรอย่างนี้เอาเถอะเวลาของการบรรยายในวันนี้เรเห็นว่าพอสมควรแล้วขอยุดที่การบรรยายในชาตนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้จะนั่งหรือจะเดิน นั่งก็ได้เดินก็ได้เรามีคนเพิ่มมาอีกสองคนกี่คนอ๋อามคน